คนเรานั้นต้องมีความสุขหล่อเลี้ยงต้นทานแห่งความสุขนั้น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 พระภัยสารวิสาโลเมื่อพูดถึงเรื่องของความสุขนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นที่ใฝ่หาของทุกผู้ทุกคนและเมื่อพูดถึงความสุขเราก็มักจะนึกถึงความบันเทิงในรูปแบบต่างๆ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 เราจะฝึกตัวเราขนาดไหนถ้าเราจะฝึกให้มากๆแล้วก็เพิ่มศีลเข้าไปเป็นจากศีลหเป็นศีล8จากศีล8เป็นศีลสองร้ี้เนี่เป็นศีลของพระที่ว่าการปฏิบัติธรรมก็ไม่ปล่อยให้นักปฏิบัติเนี่ยไปวุ่นวายหรือไปครุกคลีกับเรื่องร้องรำทำเพลงเขามีเหตุผลเพราะว่าสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นความสุขบารมโลก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 นํามาซึ่งความฟุ้งซ่านของจิตใจไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ในเรื่องการดับทุกข์เลยแต่ว่ามันก็ขัดกับความสึกของคนน่ะคนก็ชอบที่จะสุขสนานเอฮาดื่มสุราอันนั้นมันก็เป็นเรื่องของคนน่ะคืออยู่ว่าเราจะฝึกตัวเราขนาดไหนถ้าจะฝึกตัวเราให้มากๆากเราก็ต้องงดเว้นสิ่งเหล่านี้ซะแต่ไม่ได้ห้ามนะก็ทําไปแต่คนที่จะฝึกตัวเองเนี่ยก็ต้องถอยห่างออกไปจากผู้นี้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 เราลองฟังดูไนดะ้เราลองปิดปิดเสียงนี่ปิดเสียงทีวีสนะิมองเหมือนคง น, นั้นเป็นคนที่กําลังจะร้องไห้มีทําท่าททางเป็นคนร้องไห้ในโลกของพระอริยะตั้งกล่าวไว้ว่าการร้องเพลงเปรียบเส ม, มือนการร้องไห้การเต้นรําท่านบอกว่าเปรียบเส ม, มือนคนบ้าคนบ้าที่ออกมาเต้นแลกในการเนี่ยคือคนบ้าในโลกของพระอริยะว่าเนี่ยคือคนบ้าการหัวเราะล่า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 แล้วแก้อารมณ์ตรงนั้นไม่ออกแล้วเขาก็ได้พบว่าการเข้าไปดูหนังในโรงภาพยนตร์สักเรื่องหนึ่งเนี่ยมันทำให้อารมณ์ของเขาเนี่ยที่ติดขัดอยู่เนี่ยมันคลายแล้วก็สามารถที่จะปฏิบัติทำต่อได้อย่างงี้หมายความว่าอย่างไงคะก็เป็นการแก้เปลี่ยนอารมณ์ที่ดีเหมือนกันนะเปลี่ยนจากความทุกข์ความเหงาความเสงี่ยไปหาความสนุกสนานซะก็เปลี่ยนจากความทุกข์ความเศร้า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 เพราะถาหกว่าเรามีความสุขแล้วเนี่ยเราไม่ต้องไปแสวงหาความสุขหรอกแต่ที่เราทุกวันเนี่ยที่เราสุนุนานได้เนี่ยเพราะว่าเราไปแสวงหาความสุขคนที่จะไปแสวงหาความสุขเนี่ยก็คือคนที่ยังขาดความสุขมันคนที่ยังจะต้องกินข้าวอยู่เพราะยังหิวอยู่ใช่ไหมคนทั่วไปก็ต้องแสวงหาความสุขเพื่อให้จิตใจมันเป็นสุขแสดงว่าคนทั้งหลายเนี่ยมีแต่ความทุกข์ทั้งนั้นเลยนะมีความทุกข์ครอบงามจิตใจ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 หรือว่าเราไม่เข้าใจเราไม่เข้าใจถึงเรื่องความสุขความสุขคืออะไรมันเกิดขึ้นที่ไหนถ้าอย่างที่หลวงพี่ไพศาลกล่าวไว้เนี่ยท่านก็บอกว่าถ้าเราเข้าใจจิตใจของเราดีพอเราก็จะมีต้นฐานแห่งความสุขที่หล่อเลี้ยงชีวิตเราไม่ให้ทุกข์ไม่ให้หมนหมองทำให้เราเนี่ยมีความสดชื่นแจ่มใสตลอดเวลาได้ไประเด็นนี้สาคัญมากเป็นทั้งคาตอบแล้วก็เป็นทั้งคำเฉลย หรือไปตั้งกับคำถามกับคนบางคนบางคนเกิดคำถามไอ้มันเป็นไปนได้อย่างไรเ่ทีนี้คำถามเหล่านี้ที่จริงมันไม่ใช่คำถามนะมันเป็นคำเฉลยอยู่แล้วในตัวถ้าเราเรียนรู้รู้ศึกษาเรื่องจิตใจของเราศึกษาเรื่องจิตใจเนี่ยเราจะรู้ความจริงของความสุขอย่างน้อยเราก็เข้าใจแล้วว่าความสุขไม่ใช่อยู่ที่ร่างกายความสุขอยู่ที่จิตใจสุขทุกข์อยู่ที่ใจเรา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 อุปาคิเลสคือความโลภความโกรธความหลงมันจรมาสู่จิตเป็นครั้งคลาวเขาเป็นแขกจอนมาเป็นคข้างกล่าวแล้วเดี๋ยวแขกเนี่ยก็จะจอนออกไปจะอยู่ไม่ได้หรอกเพราะทุกอย่างมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็ออกไปจากจิตจิตก็ผ่องใสเหมือนเดิมปกติจิตผ่องใสอยู่แล้วเพราะแกกจอนมาเรื่องของความคิดเรื่องของกิเลสเนี่ยจอนมาสู่จิตจิตก็มัวหมองก็เนี่ยคือสำหรัพี่เป็นทุกข์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 เข้าไปอยู่กับความคิดความโลภความโกรธความหลงความมัวหมองนั้นแต่ที่จะผ่านไปไวกลับมาทรงอยู่นานเพราะสุดท้ายมันก็ต้องผ่านไปแต่กว่าจะผ่านไปจากจิตใจแล้ได้เนี่ยโอ้เราเป็นทุกข์อยู่นานเลยที่พระุธองค์ก็ตรัสไปว่ากระแสะเราใดในโลกนี้ที่ผ่านมาเนี่ยสติเท่านั้นเป็นผู้ที่กั้นกระแสเหล่านั้นไม่ให้เข้ามาสู่จิตได้สติเนี่ยเป็นเครื่องกั้นกระแสของอารมณ์ต่าง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 เราแค่เพียงรู้กระทบโดยที่ไม่รับกระทบได้นี่แปลว่าเรานี่มีการพัฒนาในตัวของเราเองมากขึ้นใช่ไหมคะใช่เพราะว่าเราสแสวงหาความสุขไงใช่ไหมแต่ถ้าเรายังมีความทุกข์อัดแน่นอยู่ในจิตใจเนี่ยเราจะพบกับความสุขที่แท้จริงไม่ได้แต่ถ้าเรามีสติมีปรรัญญาพาความทุกข์ออกไปจากจิตใจซะโดยการที่รู้แจ้งเห็นจริงเรื่องของจิตแล้วเนี่ยเมื่อความทุกข์ออกไปจากจิตเนี่ย